สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรณีนาคพงษ์นะคะกับรายการสรรณณีสนทนา ใช้เวลาของท่านแบบเวลาของท่านแบบอ่าเค้าเรียกอะไรคะค่อนข้างจะมีจิตรัดตัวเนื่อง กาศประมาณ 40 กว่าคนแล้วก็มาจากนะอยู่กัน 2-3 วันติด 2 3 วันนะก็ค่ะอืมๆแบบนะคะ ที่ไปพัฒนาจิตกันกับการปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะท่านภิกขุคะเมื่อวานนี้ แต่ดิฉันเองยังมีความเชื่อว่าต้องมีแรงจูงใจพอสมควรว่าดีอย่างไร ศีลเนี่ยแปลว่าความปกตินะเป็นพื้นความปกตินะเป็นภาษาบาลีนี่แหละแล้วก็ในความหมายทางภาษาสันสกฤตเนี่ยหมายถึงความเป็นปกตินะปกติเนี่ย จนอย่างเงี้ยเค้าก็เห็นว่าการฆ่าสายการปล้นดีอ้าวไงแสดงๆเรื่องคือมันมีมาตั้ง คุณเริ่มเริ่มออกจากความเป็นมนุษย์ละเริ่มออกจากความปกติเป็นปกติของมนุษย์นะเช่นว่าสัตว์เดรัจฉานก็จะเบียดเบียนกันใช่มั้ยเป็นธรรมดาแต่ถ้ามนุษย์ไปเบียดเบียนกันด้วยคําด่าคําว่าเบียดเบียน 5 ประการนั้นปกติ นะไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายนะเป็นผู้ที่ 1 นะ, นะ, เอ่อ นะ, 2 <ใช>ก็คือโดยปกติเนี่ยมนุษย์ ข้อที่ 3 เนี่ยโดยปกติมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยเป็นผู้ที่เอ่อไม่ล่วงถ้าผมที่เกิดจากตาหู เช่นอะไรบางชั้นกินข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวเป็นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายถูกมั้ยแต่ถ้าพระสงฆ์ไปกินข้าวเย็นอันนี้เริ่มผิดปกติเริ่มผิดปกติหรือว่าไปที่เช แต่ถ้ามันจะผิดมันจะเริ่มออกนอกแนวละก็คือ เดี๋ยวนี้อาตมาเอาเรื่องของสมาวาจามาใส่รวมกัน 4 นี้ด้วยนะแล้ว 5 เนี่ยปกติมนุษย์นี่ก็จะไม่ดื่มสุราเมรัยมันเป็นที่ต่างแห่งความประมาทนะปกติดูเราอย่างเราเป็นปกตินะคุณดื่มน้ําหรือดื่มเหล้ามากกว่ากันนะเราดื่มน้ําเป็นปกติมากกว่า อ่านี่คือความปกติของมนุษย์นะถ้าคุณผิด หลายเคสที่เราเห็นก็อยู่ไม่ได้เป็นมนุษย์ปกติได้อืมค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าบางคนลำบากเช่นทํา มาวิเคราะห์ตัวเองกันแล้วกันค่ะว่าทําอะไรที่มันผิดไป ไม่น่าจะเป็นความโกรธแค้นส่วนตัวอืมด้วยอีกต่างหากก็สงสัยว่า ในช่วงฤดูทำนาเงี้ยล้มวัวล้มควายนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยอันนี้ๆน้อยๆอ่ะซึ่งเราก็มีความ ช่วงชีวิตก็สั้นตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ย 500 คนเด็กจํานวนว่ากําลังเยี่ยว ครูชาบอกงี้คุณโยมติวบอกว่างูเนี่ยเค้าก็ปรารถนาความสุขในชีวิตของ อย่างเราจะไปตีงูงูมันก็หวังความสุข ก็ต้องมีเหตุจูงใจเข้าพอสมควรเช่นอย่างใช่ๆๆค่ะพระพุทธองค์ยังตรัส อยู่มดมันชอบขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็ไม่เป็นไร มันจะมีความกรุณาโอ้เราเราทําค่ะคือโทษของการที่ไปเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นคิดแต่เฉพาะในกรอบของเรื่องศีล ถ้าเราไม่ได้ปฏิญสัญญาใหญ่นะโควัวควายพวกนี้คุณไปลงปลวกทําเป็นประจําๆเลยนี้นรกกําหนดเดรัจฉานเปรมวิสัยนี่แบบอย่างหนักเลยใช่ นะเกิดมาในพบต่อไปหรือแม้แต่ในปัจจุบันอืมค่ะซึ่งเป็นพุทธบัญญัติได้พูดถึงกรรม ก็อาจทําให้เป็นคนอายุสั้นใช่เป็นคนอายุสั้นคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุณเป็นข้าสัตว์ใหญ่ทํา นับเป็นเสดวันกบ้นจากนรกหมดได้อะไรจะอันเป็นวิสัยได้คือเนี่ยพูดให้กําลัง ต้องทําให้ครอบด้วยใช่มั้ยคะถึงจะพ้นอ่าถ้าอย่างกรณีค่ะฟังๆนะคะ 5 แล้วก็ <นะคะ S 2> จะได้คลายใจไปและมีกำลังใจอย่างที่ท่านไหนๆๆก็แล้วค่ะพอมีทางค่ะ หากท่านคิดว่าเอาพวกเวลาเข้าพรรษานี่อยากจะทําอะไร SM 106 แห่งนี้นะ